เรื่องจิตอยู่ในที่มืดมนคือจิตกำลังอยู่ในที่มืดมนก็เท่นเดียวกับเราที่เข้าป่าลกชัดอันว้างขวางเหมือนกับไม่เคยมีไม่เคยผ่านพุ่งผ่านที่ว้องว้างอะไรมาเลยทั้งที่เราก็เคยผ่านแต่เวลาเข้าไปลงอันลกชัดแล้ว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 ปับททั้งสี่มีแต่ไฟเผาจิตเผาใจไฟที่เด็ดตัญหาสะวัสนั้นแหละไม่ใช่ไฟอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟอันนี้ธาตุจิตของเราเป็นอัดเป็นธรรมพิณิพิญ น, นาเพื่อถอดเพื่อถอ น, อถอ น, อถอนด้วยมากขปฏิบัติที่แล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นธรรมจักรเป็นเครื่องซักฟอกสติ ป, ปัญญาของเราได้เป็นอย่างดีทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะสอดถึงอ่าจะสะเทือนถึงปัญญา น, นามาพิจารณา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 ทำไมร่างกายเพียงเร า, เราท่านๆนี้จะสลายไปไม่ได้ผินธรรมดามันไปไปไปทาไมเกิดประโยชน์อะไรนะการให้ผืธรรมดาให้รู้ตามคำยิงมธรรมดานี่แหลคือทางทมทางโลง่งทางปลดปล่อยให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยปัญญารอบตัวหากาจะตายในขณะที่เวทนากาลังต้าก็รู้ก็อยู่กับเวทนาเป็นการรับจิตด้วยปัญญาโดยถือเวทนาเป็นหินรับ